งานแต่งงานก็ไปงานต่อพบต่อชาติพอไปต่อการมรดานหาการแต่งงานก็คือการทําตามความต้องการทางการอารมณ์คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของบุคคลนั้นของบุคคล น, นี้เมื่อเกิดความอยากแล้ว ก็ต้องไปเอาเขามาเป็นสมบัติเพื่อที่จะได้ตอบสนองการอารมณ์ของตนที่จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ที่จะน้อยลงไปการได้เสพกามนี้ไม่ได้เป็นการดับเลือตัดการอารมณ์ ใหน้อยลงไปให้หมดไปแต่กลับจะทําให้เกิดกามอารมณ์เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆก็ลเลยต้องมีการเสพกามไปเรื่อยๆ เ, เวลาที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะเกิดความเศร้าซร้อยหงอ ย, งอ ย, งอยเหงาว้าเหวเช่นเวลาที่ ไม่ได้อยู่กับคู่รักคู่ครองของตนหรือเวลาที่ต้องตายจากกันไปเวลานั้นก็จะมีความเศร้า้อยหงอยเหงาว่าเวแล้วก็จะทนอยู่กับความเศร้า้อยหงอยเหงาว่าเวไม่ได้ก็จะต้องหาคู่ครองคนใหม่ แทนที่จะเห็นโทษของกามอารมณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเว่ยกลับไปตอบสนองไปแก้ความเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเว่ยด้วยการไปหารูปเสียงกลิ่นลดโทชภะในตัวบุคคล แล้วก็ได้เสพการเพื่อที่จะได้ระบายการอารมณ์ดับความเศร้าซ้อยงอยเหงาว้าเหวหงุดหงิดไปชั่วข่าวแต่ก็เป็นการดับเพียงเดียวเดียวเดี๋ยวก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาใหม่พอตายไปก็ต้องไป เกิดใหม่อีกเพราะยังมีความอยากในการเสพกลามอีกนั่นเองผู้ที่มาเกิดในภพของมนุษย์ในภพของเทวดาในภพของเดรัจฉานของเปรตของอสศุลกายของนรกนี้เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจของ การมตัญหาทั้งนั้นคือยังต้องการเสพรูปเสียงกิจลดผทพพะชนิดหยาบและชนิดละเอียดชนิดหยาบก็ของมนุษย์ของเดรัจฉานชนิดละเอียดก็คือของพวกเทวดาและกายทิพทั้งหลาย ทางที่จะทำให้ไม่ต้องอกลับมาเสพกามอีกกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในกามาพบก็คือจาเป็นจะต้องพิจารณาหรือจเจริญอสุภกรรมฐานต้องพิจารณาดูความไม่สวยงามของรูปที่ ใจไปหลงหลายข้างใครอยากจะเสพกามด้วยเพราะรูปนั้นมีทั้งส่วนที่น่าดูและส่วนที่ไม่น่าดูถ้าไปเห็นหรือไปนึกถึงส่วนที่น่าดูก็จะเกิดกามอารมเกิดกามตัณหาขึ้นมาถ้าไปนึกถึงส่วนที่ ไม่น่าดูก็จะดับการอารมณ์หรือทำให้การอารมณ์ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ผู้ที่บำเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นจากบ่วงของการมาตัิหาจึงจำเป็นที่จะต้องเจริญอสุภะกรรมฐานพิจารณา ส่วนที่ไม่ได้ดูหน้าชมของร่างกายตลอดเวลาจนสามารถเห็นได้ทุกเวลานาทีโดยเฉพาะเวลาที่เผลอไปสร้างการมลลมขึ้นมาไปสร้างการมะตันหาขึ้นมาก็จะได้เอาอสุภะกรรมฐาน มาละลายมาสลายกามาลมให้ดับไปถ้าไม่มีอสุภะคือการพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายก็จะไม่มีวันที่จะสามารถดับกามตัณหาได้ จะไม่มีวันที่จะสามารถหลุดพ้นจากการมาพบได้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบไปเรื่อยๆถ้าเสพกรรมด้วยการกระทำที่สุดเจริตคือไม่ได้ทำบาปเช่นไม่ได้ประพฤติผิดประเวณี ตายไปก็ไม่ต้องไปรับผลของบาปกรรมที่ทำเช่นไปเกิดเป็นเดรัฉานเดรัฉานนี้ไม่มีศีลข้อที่สามคือศีลกาเมสุมิชาจาราเวรมณีเดรัฉานจะไม่ไม่สนใจว่ามีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของ เวลาที่เกิดกามารมณ์ขึ้นมาก็จะเสพกามกับรูปที่ตนชอบไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นภรรยาหรือเป็นเป็นเป็นบุต ร, รเป็นเป็นแม่หรือเป็นลูกเขาไม่มีความสนใจเขาไม่รู้ จะเป็นภรรยาของไข่เป็นลูกของไข่แต่ถ้าอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่อยากจะไปเป็นเหมือนเดรชานก็ต้องมีศีลข้อที่สามก็คือถ้าอยากจะเสพการกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ต้องทำให้ถูกต้องตามประเพณี เช่นมีการไปขออนุญาตไปสู่ขอจากบิดามารดาหรือถ้าเป็นภรรยาหรือสามีก็ต้องไปขออนุญาตจากภรรยาหรือสามีของบุคคลนั้นถึงจะเรียกว่าไม่ได้ทำบาปทาผิดประเพณีคือมีความขคารบในสิทธิของผู้อื่นสิทธิในบุคคลของผู้อื่น คนที่เขามีภรรยามีสามีมีบุตรมีทิดาเขาย่อมรักเขาย่อมหวงการที่เราจะไปเอาเขามาเสพกามนี้ก็ต้องได้รับการยินยอมจากเขาก่อนถึงจะได้ไม่เป็นเหมือนกับพวกเบลชานยังสามารถเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้ แต่ก็ยังเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้บ่วงของการมัดณาของผู้ที่ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยก็จะได้เกิดในในสุขคติในพบในส่วนที่ที่ดีส่วนที่มีความสุขก็คือเป็น เทพเป็นเทวดาชั้นต่างๆเป็นมนุษย์ระดับต่างๆไม่ได้ต้องไปเป็นเดรัจฉานนี่คือเรื่องของการแต่งงานถ้ามองทางธรรมแล้วก็มองด้วยความสลดสังเวชน่ากลัวเพราะเป็นการ สืบต่อสืบทอดพบชาติให้มียาวขึ้นไปให้มีการแก่การเจ็บการตายเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมีใครชอบความแก่ความเจ็บความตายกันบ้างแต่เวลาอยากจะเสพการนี้ไม่สามารถมีปัญญาเชื่อมไปถึงการเกิดแก่เจ็บตาย ที่จะต้องตามมาต่อไปได้โดยเฉพาะพวกที่เสพการโดยผิดศีลข้อที่สามนี้ยิ่งไม่เห็นว่าจะต้องไปเป็นเดรัจฉานแทนที่จะได้ไปเป็นมนุษย์ต่อก็จะต้องไปเป็นเดรัจฉานอันนี้เป็นเรื่องของ ทโลกที่เห็นกับตาลปัดเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเวลาแต่งงานกันนี่จัดงานเลี้ยงกันใหญ่โตเอดก็เลิกไปร่วมแสดงความยินดีกันถ้าไม่ไปแสดงว่ า, าไม่รักกันจริง นี่เกิดเรื่องของทางโลกถ้าเรื่องของทางธรรมก็ต้องต่อสู้กับความอยากที่จะแต่งงานต้องพยายามพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆหรือพิจารณาอานิจจังอยู่เรื่อยๆว่าเป็นความสุขชั่วคราว แล้วก็จะเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ตามมาเวลาสูญเสียคู่รักคู่ครองไปถ้าได้พิจารณาอสุภะได้พิจารณาอนิจจงก็จะเห็นทุกขังที่จะตามมาหรือเห็นการดับของความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเห็นร่างกายที่ น้าดูหน้าชมนี้ไม่ได้ดูหน้าชมมองเข้าไปในส่วนที่ไม่น่าดูหน้าชมเช่นมองเข้าไปใต้ผิวหนังถ้ามองอยู่ตรงระดับผิวหนังนี้ก็จะมองไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามที่สุขที่ถูกผิวหนังและเนื้ อ, อปกปิดเอาไว้ ใต้ผิวหนังก็จะเห็นเนื้อเอ็เห็นเอ็นเห็นกระดูกเห็นเยื่อในกระดูกเห็นม้ามเห็นหัวใจเห็นตับเห็นผังผืดเห็นปอดเห็นไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะแล้วก็เห็นน้ําชนิดต่างๆน้ําดีน้ําสเลดน้ําเหลืองน้ําเลือด น้ำเงือน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดนี่คือส่วนประกอบของร่างกายที่เราเห็นกันว่าสวยงามพราเราเห็นเพียงส่วนย่อยเห็นส่วนที่อยู่ภายนอกคือ เห็นแต่ผมขนเล็บฟันหน้าหนังแม้แต่ส่วนภายนอกนี้ก็สามารถมองให้เห็นว่ามันไม่สวยงามได้ถ้าเรามองในตอนที่แก่หรือตายไปหรือตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายนี้ ดูยังไงก็ดูไม่น่าสวยงมไม่สวยงามเราต้องมองแบบนี้บ้างอย่าไปมองในตอนที่ร่างกายได้รับการตกแต่งได้รับการาเสริมสวยด้วยอุปกรณ์ต่างๆด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ำมันน้ำหอมชนิดต่างๆ นี่เป็นการพร า, างตาเป็นการหลอกตาให้คนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่มีปัญญาถูกหลอกหลอกให้เกิดการอารมณ์หลอกให้หลงไหลข้างใครอยากที่จะได้มาเป็นสมบัติของตนมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาของตน มาเป็นคู่ครองของตนแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาแล้วจะไม่มองเพียงแต่อาการห้าอาการที่อยู่ด้านนอกเท่านั้นจะมองทะลุเข้าไปด้านในด้วยจะมองทั้งปัจจุบันและมองทั้งอนาคตตอนเวลาที่แก่ ตอนเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยตอนเวลาที่ตายไปอันนี้แหละคือวิธีที่จะตัดการกลับมาเกิดในกามะพบถ้าพิจารณาจนสามารถดับกามะตัณหาม้องกันไม่ให้กามะตัณหาปรากฏขึ้นมาได้ ก็จะไม่มีตัวผลักดันให้จิตใจต้องกลับมาเกิดในการมาพบต่อไปแต่ก็ยังไม่สิ้นสุดของการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่ายังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในรูปพบและอารปูปพบต่อไปเพราะว่าภายในใจนั้นยังมี ภาวะตันหาวิภาวะตันหาอยู่ก็คือความยินดีในรูปประชานอารูปประชานอันนี้ก็เป็นตัวที่จะดึนใจให้ติดอยู่ในรูปประพบอรูปประพบก็คือต้องเกิดไปเป็นรูปประพรมหรืออรูปประพรม จนกว่าที่จะสามารถที่จะทำลายความยินดีความใข่ในรูปประชานอารูปประชานถึงจะไม่ติดอยู่ในรูปประพบหรืออรูปประพบถึงจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือเรื่องของจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายถ้ายังมีกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาอยู่ภายในใจก็ออยังจะมีการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่ต่อไปตายพบก็คือกามพบรูปพบและอรูปพบที่ มีชื่อว่าวัตตะสงสารสังสารวัฏนี่ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามนี้ด้วยอำนาจของตันหาทั้งสามคือกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาผู้ที่จะไม่ต้องกลับมาติดกับอยู่ของ การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็จำเป็นจะต้องบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ทำลายตตัณหาทั้งสามนี้นี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด เพราะถ้าตาบใดยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตาบนั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์ตามมาลบกวนจิตใจอยู่เรื่อยๆคือความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพาดจากสิ่งที่รักที่ชอบอันนี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเกิด และการเกิดก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาการที่จะทำลายกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาก็จำเป็นจะต้องมีปัญญามีสมาธิมีสติถึงจะสามารถทำลายตัณหาทั้งสามนี้ได้ ปัญญาเป็นผู้ทำลายถอนราคถอนโคนแต่ปัญญาจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีสมาธิสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสติจึงจาเป็นที่จะต้องเจริญสติในเบื้องต้นก่อนจเจริญสติไปสตินี้ก็มีหลาย รูปแบบด้วยกันการเจริญพุทธานุสติก็คือการนับลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธ <c oughs> การบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องก็จะป้องกันไม่ให้ใจไปคิดปรุงแต่งในทางการมตัณหาในทางภวะตัณหาและในทางวิภวะตัณหา แต่ยังไม่สามารถที่จะทำลายกามวตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้เต้องใช้ปัญญาถึงจะสามารถทำลายได้เช่นกามวตัญหาก็ต้องใช้อสุภะกรรมฐานซึ่งก็เป็นการเจริญสติและปัญญาควบคู่กันไป ถ้าเราไม่บริกรรมพุโทโธเราจ ะ, จะเจริญอาการสามสิบสองไปแทนก็ได้จะได้ยิงนกสองตัวด้วยกระสุนลูกเดียวคือเวลาเราจเจริญกายกตาสติคือพิจารณาอาการสามสิบสองใจก็จะไปคิดถึงเรื่องที่จะทำให้เกิดกามากตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่ได้ และจะทำให้ทำลายกามาตัณหาไปในตัวด้วยเพราะถ้าเห็นอาการสามสิบสองอยู่เรื่อยๆเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอยู่เรื่อยๆก็จะไม่ทำให้เกิดการารมณ์ขึ้นมาแล้วก็จะทำลายความเห็นผิดเป็นชอบในร่างกายว่าเป็นตัวเป็นตนด้วย จะเห็นว่าในร่างกายนี้หาตัวตนไม่ได้ไม่มีในร่างกายนี้จะมีเพียงแต่อาการสามสิบสองเท่านั้นอาการสามสิบสองนี้มาจากอะไรก็มาจากอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วอาหารนี้มาจากอะไรอาหารก็มาจากดินจากน้ําจากลมจากไฟนี่เองต้นข้าวก็ต้องมีดินมีน้ำํำ มีลมคืออากาศมีไฟคือความร้อนถึงจะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตออกรวงข้าวขึ้นมาได้ผักต่างๆผลไม้ต่างๆก็เช่นเดียวกันก็จำเป็นจะต้องมีดินน้ำลมไปเมื่อรับประทานข้าวรับประทานผักรับประทานผลไม้เข้าไปร่างกายก็ เอาไปแปลงเป็นอาการสามสิบสองทำให้ผมยาวขึ้นฟัน ง, งอกออกมาอะไรต่างๆเสริมส่วนเสริมส่วนต่างๆให้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นจากทารกตัวเล็กๆก็กลายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะถึงเวลาที่ ร่างกายจะหยุดทำงานเวลาหยุดทำงานธาตุก็จะเริ่มแยกออกจากร่างกายไปลมก็จะออกไปไฟก็จะออกไปน้ำก็จะออกไปในที่สุดก็จะเหลือส่วนที่เป็นดินไว้การพิจารณาร่างกายกายกตาสติพิจารณาว่าอาการสามสิบสอง ผมกนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็ย่อยสลายออกไปกลายเป็นดินน้ำนมไฟไ ป, ไปก็จะทำลายสากกายาทิฏฐิความเห็นผิดพ่านไปเห็นที่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเพราะหายังไงก็ไม่มีตัวเราของเราอยู่ในอาการสามสิบสองมีแต่อาการสามสิบสอง ผู้ที่มาครอบครองอาการสามสิบสองนี้ไม่ได้อยู่ในอาการสามสิบสองเหมือนกับผู้ที่มาครอบครองรถยนต์อย่างนี้คนขับรถยนต์ไม่ได้อยู่ไม่มีไม่ได้เป็นชิ้นส่วนของรถยนต์เป็นเพียงเป็นผู้ที่มาขับรถยนต์ให้เคลื่อนไปไหนเท่านั้นเองใจผู้ที่มา ครอบครองร่างกายก็เป็นผู้ที่มาขับเคลื่อนร่างกายให้ไปไหนมาไหนให้ดื่มให้รับประทานให้ทำอะไรต่างๆใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายแต่เนื่องจากไม่มีใครสั่งใครสอนจึงหลงไปคิดว่าใจเป็นร่างกายร่างกายเป็นใจกันก็เลยเกิดความ ทุกขึ้นมาเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปเพราะใจไม่อยากจะให้ร่างกายมีการเป็นไปความอยากนี่แหละที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาที่เรียกว่าภาวะตัณหาหรือวิภาวะตันหาอยากให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยากให้ร่างกายอยู่ไปนา น, น, าน ไม่มีวันสิ้นสุดนี่เรียกว่าภาวะตันหาพอไม่ได้เป็นไปดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาร่างกายแก่ก็ทุกข์ใจเพราะมีวิภวะตันหาอยากไม่ให้ร่างกายแก่อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้ร่างกายตายไป ตันหานี่เป็นผู้ผลิตความทุกข์ให้แก่ใจแล้วเป็นผู้ผลักดันใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายไปทุกข์แล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆถ้าหยุดตัญหาทั้งสามนี้ได้เช่นเวลาร่างกายแก่ก็ปล่อยให้แก่ไปอย่าไปอยากให้ไม่แก่ก็จะไม่ทุกข์อย่าไปอยากให้ไม่เจ็บ ก็จะไม่ทุกข์อย่าไปอยากให้ไม่ตายก็จะไม่ทุกข์แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหมอ่อันนี้คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาคือการยุติของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิด ให้เข้าถึงพระนิพพานที่เป็นจุดที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะไม่มีกามาตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภวะตัณหาดังนั้นผู้บำเพ็ญจึงต้องมีความอุตสาหะวิริยะในการที่จะควบคุมสังขารความคิดปุงแต่งของตนให้หยุดคิดปุงแต่งไปในทาง สร้างพบสร้างชาติคือให้หยุดคิดไปในทางกามตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาด้วยการให้คิดในส่วนที่จะทำให้กามตัญหาวิภาวะตัญหาภาวะตัญหานี้หายไปหรือดับไปเช่นให้คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อย เวลาอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรขอให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้อยากมีนั้นเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจงได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องสูญเสียไปเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครห้ามความจริง น, นี้ได้ความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดจะต้องมีดับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเจริญจะต้องมีเสื่อมจะไปสั่งให้ไม่เสื่อมสั่งให้ไม่ดับนี้ทาไม่ได้อยากถ้าอยากให้ไม่เสื่อมอยากไม่ให้ดับก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าเห็นจัดความจริงในใจรักเห็นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นในใจ เห็นว่าเกิดจากปัญหาความอยากที่ไปอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงไปอยากในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้ควบคุมให้ได้บังคับให้ได้ให้เป็นไปตามความอยากของตนให้ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจก็จะหยุดอยากได้หยุดปัญหาหยุดกามักัญหา หยุดภาวะตัณหาหยุดวิภาวะตัณหาได้ก็จะสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ตรงนี้การที่เราจะเข้าถึงจุดที่ควบคุมสังขารความคิดตรงแต่งสยสัญญาความจำได้หมายรู้ให้ไม่ไปทำงานในทางของตัณหาทั้งสาม เราก็ต้องหมั่นจเจริญสติอยู่เรื่อยๆจเจริญจนกระทั่งสามารถสั่งให้สังขารความคิดปรุงแต่งนี้คิดไปในทางที่จะทาให้ตัญหาทั้งสามนี้หมดไปให้ได้แทนที่จะคิดว่าเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาก็ให้คิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากับทุกสิ่งทุกอย่าง เวลาที่เกิดความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ให้พิจารนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่อยากได้มีใครอยากได้ความทุกข์บ้างไม่มีใครอยากได้ความทุกข์กันทุกคนอยากได้ความสุขกันแล้วไปแต่งงานกันทำไมแต่งงานแล้วมันไม่มันสุขหรือมันทุกข์ เวลาทะเลาะกันนี่มันสุขเรื่อมันทุกเวลาที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันมันสุขเรื่อมันทุกมไม่ยอมมองความทุกข์กันจะมองแต่ส่วนที่เป็นสุขกันแล้วก็มาหย่าร้างกันมาวุ่นวายกันขึ้นล ง, งขึ้นศาลกันทาให้เสียงบประมาณทาษี ต้องจ้างาผู้พิพากษาจ้างทนายความจ้างอะไรต่างๆมาเพื่อมาแก้ความทุกข์ที่เกิดจากการไปแต่งงานกันอันนี้ไม่มองกันเวลาเกิดความอยากแล้วจะเห็นแต่จะอยู่กันไปรักกันไปจนวันตาย เหมือนกับดูภาพยนตร์ภาพยนตร์จะจบตอนที่พระเอกแต่งงานกับนางเอกแต่ไม่มีภาคสองภาคสามตอนที่ทะเลาะกันตอนที่โกรธกันตอนที่แย่งลูกแย่งสมบัติกันตอนนั้นไม่มีมีแต่ภาคหนึ่งนี่คือปัญหาของสัตว์โลก ที่ถูกอำนาจของตันหาหลอกให้มองแต่ส่วนที่เป็นความสุขส่วนที่น่ารักส่วนที่น่าดูจึงต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะมาสอนใจให้เห็นภาพที่แท้จริงได้ให้เห็นทั้งสองส่วนไม่ปฏิเสธส่วนที่สวยก็มีส่วนที่น่ารักก็มี ส่วนที่สุขก็มีแต่ขอให้ดูส่วนที่ไม่สวยบ้างส่วนที่ไม่น่ารักบ้างส่วนที่เป็นทุกข์บ้างเพื่อจะได้ช่างน้ำหนักว่าจะคุ้มไหมได้ได้มาได้คุ้มเสียหรือเปล่าถ้าเห็นได้เห็นข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เทาที่ผ่านมาผู้ที่เห็นข้อมูลครอบทั่วนี้มักจะไม่แต่งงานมักจะไม่อยากได้อะไรในโลกนี้มักจะออกบวชกันเพราะว่ามีสิ่งที่ดีกว่าเป็นสิ่งที่มีแต่ดีอย่างเดียวไม่มีไม่ดีเลยมีอยู่ในโลกนี้แต่มองไม่เห็นกันไม่รู้กัน มีเพียงพระพุทธเจ้าพราะองค์แรกที่ทรงเห็นว่ามีปามังสุขครั้งอยูอ่มีส่วนที่มีแต่ความสุขลน้ลนล้นไม่มีความทุกข์เลยไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในส่วนนี้เลยอส่วนนั้นก็คือใจที่สะอาดสงบบริสุทธิ์นี้เองใจที่ได้รับการชำระปราศจากความโลภความโกรธความหลง วาจะจากการรมตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตันหาผู้รู้ความจริงอันนี้จึงไม่มีความเสียดายกับความสุขของทางโลกที่มีความทุกข์มาผสมมามีส่วนร่วมด้วยเลยจึงสามารถออกบวชกันได้ตัดความสุขทางโลกไปได้อย่างสิ้นเชิง ไม่เสียอกเสียใจไม่เสียดายกับการที่ไม่ได้แต่งงานแต่งการไม่มีครอบครัวไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีทิดาเพราะเห็นด้วยปัญญาแล้วว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขหรือมันเป็นมันเป็นสุขที่จะต้องมีความทุกข์ตามมาเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนี้ความสุขที่ได้มานี่มันหายไปหมดเย ความสุขที่ได้จากวันในวันแต่งงานนี้หายไปหมดเลยเวลาไปเจอว่าสามีหรือภรรยาไปแอบนอนกับใครสักคนหนึ่งขึ้นมาความสุขนั้นหายไปหมดเลยเหลือแต่ความทุกข์ที่จะอะทําลายชีวิตของตนเองไปในที่สุดถ้าไม่ระมัดระวังถ้าเสีย อ, อกเสียใจมากๆก็ถึงกับ ทำลายชีวิตของตนได้อย่างง่ายดายนี่แหละคือความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้แต่ความสุขทางธรรมความสุขที่เกิดจากการบาเพ็ญปฏิบัติทานศีลภาวนาจเจริญสติสมาธิปัญญานี้จะเป็นความสุขที่มีแต่ความสุขล้นล้นไม่มีความทุกข์ตามมา ถ้ามีความทุกข์ก็จะเป็นความทุกข์ในเบื้องต้นในช่วงเวลาที่สร้างความสุขนี้ต้องต่อสู้กับกิเลสสมาชนิดต่างๆที่จะคอยมาสร้างความทุกข์ใจเวลานั่งบริกรรมพุโทโธนี้ก็เกิดอาการอึดอัดเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเวลาถือศีลแปดก็เกิดอาการทุกข์ขึ้นมาแล้ว เพราะไม่ได้รับประทานอาหารเย็นไม่ได้ดูละครไม่ได้หลับนอนกับสามีภรรยาของตนอันนี้เป็นความทุกข์ในเบื้องต้นในทางดําเนินที่จะพาไปสู่ความสุขความสุขในบั้นปลายคือความสุขที่เป็นปรมังสุขขงังผู้ที่ต้องการความสุขในบั้นปลายความสุขที่ไม่มีความทุกข์ ความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมนี้จะเป็นจะต้องอดทนต่อสู้กับความทุกข์ต่างๆที่จะเป็นเหมือนกับขวากน้ำขวางทางดำเนินต้องยอมเจ็บต้องยอมทุกข์แต่ทุกข์เพื่อให้หมดทุกนี้คุ้มค่ากว่าสุขแล้วทำให้เกิดมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเหมือนกับผู้ที่ดาเนิน ในทางของโลกในทางของลาบยศสระเสริญสุขนี้จะเป็นทางที่เริ่มต้นที่สุขแล้วก็ไปจบที่ทุกข์อย่ในทางของธรรมะนี่จะเริ่มต้นที่ทุกข์แล้วก็ไปจบที่สุขอันนั้นก็ต้องอยู่ที่แต่ละบุคคลที่จะต้องพิจารณาเอาเองว่า จะเอาอย่างไหนจะเอาสุขต้นแล้วทุกปลายหรือจะเอาทุกต้นแล้วสุขปลายถ้าเอาสุขต้นแล้วทุกปลายก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็ร้องห่มร้องไห้กันแต่ถ้าเอาแบบทุกต้นสุขปลาย เวลาแก่ก็ไม่ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์เวลาตายก็ไม่ทุกข์ไม่ร้องผมร้องหา้าเป็นประมังสุขขังตลอดเวลานี่คือเรื่องของวิถีชีวิตเลือกการดาเนินชีวิตทิศทางของชีวิตที่สัตว์โลกสามารถเลือกเดินได้ จะเลือกวนเดินวนอยู่ในกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้จะเลือกเดินในทางที่พาออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้อันนี้จะเกิดเป็นทางเลือกขึ้นมาก็ต่อเมื่อได้พบกับพระพุทธศาสนาผู้ที่เป็นเหมือนกับเป็นป้ายบอกทาง ถ้าเดินทางโดยไม่มีป้ายบอกทางเราก็จะไม่รู้ว่าทิศทางที่เราไปนี้ไปทางไหนไปทางวนอยู่ในวงเวียนหรือไปทางที่พาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันก็คือการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายแต่ถ้าเรามาได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็เหมือนกับเราได้เดินทางบนถนนที่มีป้ายบอกทางเป็นระยะระยะว่าทางนี้ไปถึงไหนทางนี้ทางนี้ไปถึงไหนเราก็จะได้เลือกทางเดินได้พบนี้ชา น, นี้เราโชคดีเราได้มาพบกับป้ายบอกทางที่บอกให้เรารู้ถึงจุดหมายปลายทางที่ถนนนี้จะพาเราไปกัน พอมาถึงทางแยกเราก็จะได้เลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรเช่นทางแยกแรกก็ถามว่าจะทำทานดีหรือจะเอาเงินไปเที่ยวดีอันนี้ก็ถ้าอยากจะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อก็ไปเที่ยวกันต่อถ้าอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ทำทานกันดีกว่าเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทำทานกัน พอมาถึงแยกที่สองก็จะเจอว่าอะจะทำบาปดีหรือไม่ทำบาปดีจะรักษาสีลน้าดีหรือไม่รักษาสีนหน้าดีจะรักษาสีแปดดีหรือไม่รักษาสีแปดดีอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบจิตใจของผู้เดินทางว่าจะเลือกเดินทางไหนจะเลือกเดินทางของการเวียนว่าใจเกิดก็ไม่ต้องรักษาศีให้มันเสียเวลา ให้มันยุ่งยากอยากจะกินเหล้าก็บกินอยากจะเสพกามกับไทยกับเสพอยากจะโกงกับโกงอยากจะโกหกหลอกลวงก็โกหกหลอกลวงไปอยากจะฆ่าใครก็ฆ่าไปอันนี้ก็ทําแล้วก็เกิดความมันขึ้นมาในใจเกิดความสะใจขึ้นมาแต่ผลที่จะตามมานี้มันก็คือการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อ แต่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยากจะไปแล้วไม่กลับก็ต้องรักษาศีลห้าแล้วก็ต่อด้วยศีลแปแล้วต่อด้วยศีลสองสิบศีลสิบหรือศีลสองรอยี่บเจ็ดไปตามลาดับออกบวดเลยรักจะได้รักษาศีลได้อย่างเต็มที่แล้วก็มาถึงแยกต่อไปก็ถามว่าจะไปทางไหน จะไปทางของการมีสติหรือของการไม่มีสติถ้าอยากจะไปทางที่ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีสติอยู่ทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่อที่จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจมีความสุขได้แล้วก็จะได้เกิดปัญญาจะได้เกิดการ เห็นมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาทุกข์กับสมุทัยหรือจะเอามรรคกับนิโรธถ้าเอามรรคกับนิโรธก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีสมุทัยมรรคก็คือนก็คือปัญญาคือการเห็นนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ ใจอยากได้นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะละตัณหาได้ละตัณหาได้ความทุกข์ก็ดับไปนิโรธก็กปรากฏขึ้นมาก็คือความไม่มีความทุกข์นี่อันนี้แหละคือป้ายบอกทางของพระพุทธศาสนา โชคดีที่มีพระพุทธเจ้าอุตษา์มาติดป้ายไว้ให้กับพวกเราตามตามทางแยกต่างๆเพื่อให้พวกเราได้รู้ว่ามีทางเลือกว่าไปทางไหนไปทางนี้แล้วจะได้อะไรแต่ทางนั้นแล้วจะได้อะไรถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้ก็จะไม่มีป้ายบอกทางกันก็จะหลงกันไปหลงกันมาไปถูกบ้างผิดบ้าง ถ้าเลือกทางถูกก็โชคดีไปถ้าเลือกทางผิดก็ก็สวยไปนี่คือชีวิตของสา ร, รโลกถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาติดป้ายบอกทางไว้ก็มักจะชอบไปในทางที่พาไปสู่ความทุกข์พาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าภายในใจของสา ร, รโลกนี้มีเต็มไปด้วยความ โลกความโกรธความหนงเต็มไปด้วยการวัฏัญหาภาวะวัฏัหาและวิภวะวัฏัหาที่จะคอยผลักดันให้ใจของสัตว์โลกนั้นเลือกเดินในทางของการเวียนว่ายตายเกิด น, นั่นเองดังนั้นพวกเราโชคดีในพบนี้ชาตินี้เราได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่จะพาเราที่จะบอกเราให้ไปในทางที่จะ ให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่พวกเราว่าเราจะกล้าหารพอที่จะเดินตามทางเดินตามป้ายที่พระพุทธเจ้าทรงปักไว้ให้กับเราหรือไม่คือป้ายของการทําทานของการรักษาศีลของการภาวนานี้หรือไม่ ก็ยังจะไปตามทางของกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวตัณหาอยู่อย่างที่สมาธิของเราวันนี้ได้เลือกทางไปกันวันนี้ขอเลือกไปในทางของกามตัณหาหนึ่งวันขอสลละทางทานศีลภาวนาหนึ่งวันอันนี้เพราะยังไม่มีปัญญาที่เห็นคุณค่าของการเลือกทางเดินของพระพุทธเจ้า ยังถูกความหลงหลอกให้เห็นความสำคัญในทางเดินของการมตัญหานี้อยู่นั่นเองอันนี้ไม่ได้ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่พูดยกตัวอย่างให้ฟังให้คนที่อาจจะคิดแบบนี้จะได้เอกใจขึ้นมาบ้างว่าเรากำลังไปในทางทิศ ท, ทางไหนกันแนะ่การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาิวาหาปุราปลริปุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิตตินางเปตานางอุปกปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิดภาเมวะสมิจโตซาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหราโสยทามณีโจติราโสยทาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวทวันตารายสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนสีฤิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรามวัทานติ อายุวันโอสุขังพาลางาม่ไก่จะถามอะไรหรือมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังบ้างผัดกันพูดบ้างเลยพูดคนเดียว ก็มีพระพุทเจ้าไม่ใช่เล็พุทธานุสติเราก็ไม่ได้อยู่ในสมัยพระพุทธการแต่มีไม่มีก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่ามันมีมันทำแล้วได้ผลหรือเปล่าทำแล้วมันได้ผลไหมก็มีเมื่อไม่มีก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญถ้ามีแล้วทำไม่ได้ผลก็ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร นั้นคือในในพระคัมภีรนั่นก็แสดงกรรมฐานสี่สิบชนิดเนียกรรมฐานสี่สิบชนิดก็มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทพระธรรมพระสงฆ์นี่จ ะ, ละเลิกแบบไหนก็ได้จ ะ, ะเลิกถึงอิติปิโสอาหลังสัมมาสวัสดิ์ขาโต ไปก็ได้สุปฏิปันโนไปก็ได้หรือจะพุทโธธรรมโสังโคไปก็ได้มันก็มีมาในพระไตรปิฎกอยู่แล้วมีอยู่ในคำพีอยู่แล้วแต่การเอามาใช้นี่อาจจะมีการประยุกต์ใช้ตามความาเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัต ถ้าเห็นว่าการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ได้ผลดีกว่าการสวดอิติปิโสท่านก็ใช้พุทโธไปบางท่านเห็นว่าการสวดอิติปิโสได้ผลดีกว่าพุทโธ ท, ท่านก็สวดอิติปิโสไปอันนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาควบคุมสังขารความคิดตรุงแต่งไม่ให้คิดไปในทางตันหาความอยากต่างๆทั้งนั้นเอง เพราะฉะนั้นจะใช้อะไรก็ได้นอกเหนือจากกรรมฐาน40นี้ถ้าใช้ได้ผลก็ใช้ได้เหมือนกันเช่น จ, จะท่องหนึ่งสองสามไปก็ได้ลองนับหนึ่งสองสามไปเลยตั้งแต่ตื่นมาจนหลับดูซิว่าจะนับไปถึงไหนให้มีแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านับไปเรื่อยๆจนถึงเวลาจะนอนดูซิว่านับไปถึงเลขที่เท่าไหร่ อันนี้ถ้ารับได้มันก็จิตมันก็นิ่งได้จิตก็มันก็สงบได้เพราะว่ามันไม่ไปปรุงแต่งคิดถึงเรื่องราวต่างๆนอกจากเผอพอคิดถึงหนึ่งสองสามก็ไปคิดถึงเงินในบัญชีแล้วก็เกิด <c oughs> อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ <c oughs> ถ้านึกแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้ นึกไปนึกมาจะพฏดีวันหวยออกไอ้เรื่นี้น่าจะดีอันนี้ก็คิดไปทางตัณหาทันทีเห็นไหม <S <S ใจของเราเนี่ยเก้าสิบเก้าเอร์เซ็นมันจะคิดไปทางตัณหาความอยากเพราะอาวิชชาปัจญาสังขาราไงนะคำ ว, ว่าอาวิชชาเป็นผู้ผลักดันให้สังขารคิดปรุงแต่งไปทางตัณหาหอาวิชชาปัจญาสังขาราไปถึง ตันหาไปถึงภาวะไปถึงภพชาติเนี่นเนี่ยอันนี้เป็นสายของของความคิดของสัตว์โลกทั้งหลายอย่างวันนี้คิดไปงานแต่งงานนี่มันก็ไปทางตันหาแล้วไปงานเลี้ยงอนวิชามันก็พาไปมันก็หลอกว่าจาเป็นเป็นลูกของเราอย่างโน้อย่างนี้มันก็ว่าไปมันก็มปเหตุของมันนมันก็มีเรื่องพาไปจนได้ ถ้าไม่มีธรรมะคําสอนพุทธเจ้ามาแทรกมาแย้งบ้างมันก็ไหลไปทางกระแสของอวิชชาตันหาอุปทานไปทางภาวะไปเกิดแก่เจ็บตาอยู่ตลอดเวลาถ้ามีธรรมะพุณเจ้ามามันก็จะมาค้านกับอวิชชาอาวิชชาว่าเป็นลูกเราธรรมะกวามเป็นลูกเราที่ไหนมันก็เป็นแค่ดินน้ําลมไฟ ใจมันมันก็ไม่ได้เป็นลูกกับเรามาตั้งมันมาจากที่ไหนเราก็ไม่รู้มันมาได้ร่างกายที่เราผลิตขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วเราก็ไปหลงคิดว่ามันเป็นลูกเราอันนี้ดูพระพุทธเจ้าใช่ไหมพอบอกลูกออกปับไปเลยลูกเราที่ไหนวะบ่วงท่านบอกมันบ่วงมันไม่ได้เป็นลูกเห็นไหม ยคนฉลาดคนมีธรรมะจะคิดคนละอย่างกันคนมีไม่มีธรรมะก็โอ้ยลูกออกแล้วไปไม่ได้แล้วต้องเลี้ยงลูกแล้วเดี๋ยวไม่มีใครเลี้ยงลูกเยเพราะว่าไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็หวังว่ามันก็เป็นแค่ดินน้ำไฟแค่อาการสามสิบสองเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายอยู่ด้วยกันก็ตายด้วยกันเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ถ้าแยกทางกันนี่ยังมีโอกาสที่จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนะพอพระเจ้าตัดสัตรูแล้วก็มาจับลูกไปบวชตายนะอายุเจ็ดขวบหกขวบนี่เอาไปบวชแล้วท่านตัดสัตวหกปีลูกก็เกิดพอดีตอนที่ท่านออกบวชก็ลูกก็ออก็เกิดมาพอตัดสัตวู้หกปีต่อมาลู่ก like ็อายุหกขวบหกขวพอกลับมาเยี่ยมวังก็ ลูกมาขอมาระดกก็เลยเอาไปเลยเอาไปบวชได้บวชแล้วก็ได้ดูดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เนี่ยมันไม่มันไม่ยากเลยถ้ามีคนสอนเด็กมันเรียนจากใครมันก็เรียนจากพ่อแม่ภาษานี่มันเรียนจากใครก็เรียนจากพ่อแม่พ่อแม่พูดภาษาอะไรมันก็พูดภาษานั้นได้ พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็สอนลูกให้หลุดพ้นได้พระพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วก็สอนให้ลูกหลุดพ้นลูกปฏิบัติตามมันก็หลุดพ้นได้มันไม่ยากเย็นเลยถ่านมีคนสอนแล้วคนคนคนค น, คนเรียนก็มีความเชื่อฟังไม่ดื้อรั้นถ้าดื้อรั้นก็ช่วยไม่ได้สอนให้ทําทานก็ไม่ทำสอนให้รักษาศีลก็ไม่รักษาสอนให้ภาวนาก็ไม่ภาวนา อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้สอนแล้วอย่างเทวทัต น, นี่พระพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันแต่เทวทัตดื้อรั้นไม่ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าจะอยากเป็นใหญ่เป็นโตไปตามอวิชชาปัจจยาสังขาราอยากจะเย็นเป็นใหญ่เป็นโตก็การมาตัญหาก็ภาวะตัญหานี่เองก็เลยพาไปสู่การทําบาปทํากรรม พยายามปรงประชนที่ของพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันเสร็จแล้วก็ต้องตายไปถูกการดินสู่ตายไปก็ต้องไปตกในนรกต่อไป <c oughs> อ่นนี้การเชื่อฟังอวิชชาปฏิยาสังขารการที่ไม่ควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางการมตัิหานภาวะตันหาวิภาวะตันหาถ้าไม่ควบคุมปับ๊บมันก็จะไปทางนั้นทันทีพอมีช่องมันก็จะไปทางนั้นทันที นี่แคือทำมาเราต้องเจริญสติเจริญพุทธโธกันเพราะพุทธโธนี่มันง่ายแล้วชาวชาวพุทธไทยเรานี่มีความเคารพพระพุทธเจ้ามากพอให้ท่องพุทธโธก็จะมีความเชื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เชื่อเวลาเวลาใกล้ตายนี่ท่องกันตายเลยต้องกันแบบไม่มีหยุดเลยเวลาเกิดเอ เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเนี่ยจะสวดมนต์กันแบบแต่พอไม่มีความกลัวแล้วก็หยุดขี้เกียจขึ้นก็เกิดขึ้นมาผู้ที่อยากจะสวดมนต์อยากจะเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังคารนุสติจึงต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวหน้ากลั ว, ลวมันจะได้มีอะไรมากระตุ้นไม่ให้ขี้เกียจถ้าอยู่ในที่สุขที่สบายที่ปลอดภัยมันก็ไม่มีความกลัว พาไม่มีความกลัวมันก็เลยไม่เห็นความจําเป็นของการเจริญพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่งนีดังนั้นเราต้องพาตัวเราให้ไปอยู่ในถ้ำกลางของสภาพแวดล้อมที่ทําให้เกิดความน่ากลัวอยู่เรื่อยๆเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ในที่ไม่มีที่ปกปิดมิชิดเหมือ น, นที่บ้านนี้ พระทวดงนี้ท่านไม่มีกุติไม่มีอะไรท่านอยู่ตามโคนม้อยู่ตามแค่ที่ชาวบ้านสร้างสร้างถวายให้มีมุงเป็นมีมุงเป็นเหมือนกับเป็นวาให้ท่านั้นเองอยู่แบบนั้นนอนแบบนั้นตางขึ้นเสือสิงสาลาสัสจะมาตะปบไปกินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่เชื่อลองไปอยู่ดูเลยเราจะดูเสว่าจะกลัวไม่กลัว ถ้ามันกลัวมันจะได้หาที่พึ่งเลยมันจะได้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธพอบริกรรมพุโทโธพุธโทโธแล้วพอใจสงบความกลัวก็หายไปทีนี้รู้แล้วว่าภัยไม่ได้อยู่ข้างนอกสิงสาราสัตว์เขาไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจไอ้ตัวที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจก็คือความคิดปรุงแต่งนี้เองคิดไปในทางวิภาวะตัณหากลัวตายอยากจะอยู่กลัวตาย กลัวว่าจะถูกสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้มาทำลายทาร้ายก็เลยจิตใจจิตใจหวั่นไหวจิตใจเกิดความหวาดกลัวถ้าจะอยู่ในที่อย่างนั้นอย่างสงบได้ก็ต้องควบคุมความคิดปรุงแต่งให้ได้ไม่ให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาไม่ให้ไปคิดถึงสิงสารสัตว์ต่างๆ ให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปพอมีพุโทโธพุธโทโธอย่างต่อเ น, นื่องไม่นานจิตก็นิ่งสงบพอสงบก็หายกลัวทีนี้รู้แล้วว่าความกลัวมันไม่อยู่ที่เสียงสารสันมันอยู่ที่ใจเราไปปรุงแต่งคิดถึงมันเองพอเราควบคุมความคิดปรุงแต่งแม่ไปคิดถึงมันได้ไอตัววิภาวะตันหาคือความตัวความกลัวตายมันก็สงบไป เราต้องไปหาที่มันกระตุ้นให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันจะได้แก้ได้เช่นเวลานั่งเราก็นั่งให้มันเจ็บจะได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาจะได้รู้ว่าความทุกข์นี่มันเกิดจากความกลัวความเจ็บมันไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บความเจ็บมันไม่น่ากลัวมันไม่เป็นอันตรายแต่ตัวที่เป็นตัวอันตรายก็คือตัววิภวะตันหานี่คือตัวกลัวความเจ็บตัวที่อยากให้ความเจ็บนี้หายไป หรื อ, อยากจะหนีจากความเจ็บไปอยากจะขยับนั่งแล้วมันปวด ก, ก็อยากจะขยับถ้าขยับมันก็จะไม่เห็นมันก็จะไม่เห็นตัวที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่เห็นวิธีที่จะทําลายความตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจนี้ขึ้นมาได้ถ้าเจ็บแล้วเราอยู่เฉยๆแล้วบริกรรมพุโทโธไปเรามันก็จะหายเจ็บ มันก็จะรู้ว่าอ๋ความเจ็บเกิดจากความคิดตรงแต่งของเราเองไปกลัวไปผลิตตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นมากลัวความเจ็บอยากให้ความเจ็บหายไปก็เลยเกิดความเจ็บขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อความเจ็บทางจิตใจใจก็ทนไม่ได้ที่ทนไม่ได้ไม่ใช่ทนที่ความเจ็บของร่างกายแต่ความเจ็บของใจที่เกิดจากความคิดตรงแต่งไปในทางวิภาวะตัณหานั้นเอง ก็คือความกลัวความเจ็บความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายร่างกายจะเจ็บอย่างไรก็อยู่กับมันได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะใจเป็นอุเบกขาใจสงบเนี่ยเราต้องอาศัยความทุกข์ต่างๆของทางร่างกายมาสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้น ทางใจเพื่อที่เราจะได้ดับความทุกข์ทางใจได้การอดอาหารก็แบบเดียวกันการอดอาหารก็เป็นการสร้างความทุกข์ทางร่างกายแล้วก็จะได้มากระตุ้นให้เกิดความทุกข์ทางใ จ, ใจิตใจความหิวมันก็เลยมีสองส่วนหิวทางร่างกายแล้วก็หิวทางใจในความหิวที่รุนแรงก็คือความหิวทางใจ ความหิวทางร่างกายนี้ไม่รุนแรงเพราะเวลาทำใจให้สงบได้แล้วมันไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความหิวทางร่างกายที่มันเดือดร้อนก็เพราะความหิวทางใจที่คิดปรุงแต่งถึงอาหารอาหารชนิดต่างๆถ้าอยากจะแก้ก็ต้องอยาไปให้มันคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานให้มันคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องอยู่ในโถส้วมนี่มันก็เป็นอาหารทั้งนั้นหละ มันมาจากไหนของพวกนี้มันก็มาจากอาหารที่อยู่ในจานนี้เองพอกะเหมือกก็ไปแล้วเป็นไงพอไปเคี้ยวไปผสมกับน้ําลายแล้วเป็นอย่างไรพอคืนก็ไปอยู่ในทองแล้วเป็นอย่างไรอาหารชนิดต่างๆไปรวมกันในทองแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างให้นึกถึงภาพเหล่านั้นมันจะได้ไม่หิวโหวยกับอาหารแล้วความหิวโหวยทางใจจะหายไป เราจะรู้สึกว่าความหิวทางร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยเป็นส่วนที่ทนได้อดได้เป็นวันวันสบายอันนี้ใช้ปัญญาดับปัญหาการมาปัญหาความอยากในรูปรดของอาหารถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้พุทโธไปก่อนบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อให้ใจสงบพอใจสงบแล้วก็จะความหิวทางใจก็จะหยุดไปชั่วคราว เดี๋ยวก็พอเผลอไปคิดถึงอาหารในในจานขึ้นมาอีกก็จะเกิดความหิวขึ้นมาอีกแต่ถ้าคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องนี่มันจะไม่หิวเลยมันจะไม่อยากกินเลยแล้วมันจะไม่คิดถึงอาหารอีกต่อไปอันนี้แก้ด้วยปัญญาถ้าแก้ด้วยปัญญาก็แก้แบบท้าววารถ้าแก้ด้วยสติสมาธิก็ต้องคอยแก้อยู่เรื่อย เวลาเกิดความคิดปรุงแต่งไปทางกา ร, รมตัญหาก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อให้มันหยุดคิดปรุงแต่งพอมันหยุดคิดปรุงแต่งแล้วมันก็สงบความอยากภายในใจก็หายไปความทุกข์เช่นความกลัวหรือความหิวโหวยก็จะหายไปอันนี้แหละคือวิธีปฏิบัติถ้าเราไม่ สร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นเราก็จะไม่รู้ว่าใจของเรานี้รับกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้หรือเปล่าเช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปเราจะรับกับมันได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนทาการบ้านไว้ก่อนเวลาเข้าห้องสอบนี่เราจะสอบผ่านหรือไม่แต่ถ้าเราเตรียมตัวทาการบ้านไว้ก่อนเช่น ทำใหร่างกายมันเจ็บไปก่อนโดยการนั่งไปยันค่าทั่งมันเกิดอาการเจ็บแล้วก็ปล่อยให้มันหายเองเหมือนกับเวลาเราเป็นไข้แล้วก็ปล่อยให้มันหายเองถ้าเราสามารถผ่านความเจ็บของร่างกายไปได้แล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ทุกคนจะต้องเจอกันอย่างแน่นอนจะเจอแบบสบายแล้วเจอแบบ วุ่นวายเจอแบบเครียดเจอแบบทุกขก็อยู่ที่เรานี่แหละถ้าเราฝึกฝนอบรมซ้อมไว้ก่อนซ้อมเผชิญกับความเจ็บของร่างกายนั่งสมาธิไปแล้วก็ให้มันเจ็บไปนานๆอย่าไปลุกอย่าไปอะไรสู้กับมันไปใช้ต้องสู้ด้วยธรรมะอย่าไปสู้ด้วยการดันทุลังสู้มันไม่ได้ดันทุลังลองใช้ธรรมะต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป หรือต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปว่ามันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันให้หายไปไม่ได้มันอยู่ก็ต้องอยู่กับมันไปมองให้มันเห็นเหมือนกับเป็นฝนฟ้าอากาศเช่นเวลาฝนตกเราไปจะสั่งให้มันหยุดก็สั่งให้มันหยุดไม่ได้ก็ต้องรอให้มันหยุด ทุกเวทนาความเจ็บของทางร่างกายเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องปล่อยมันเกิดไปเราอย่าไปเครียดกับมันเราอย่าไปอยากให้มันหายแล้วเราจะไม่เครียดที่เราเครียดก็เราอยากจะให้มันหายหรืออยากจะหนีจากมันไปนี่แหละคือการใช้ปัญญาหรือใช้สติต่อสู้กับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากความแปรปรวนของร่างกาย คือความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดีอันนี้เป็นข้อสอบของของผู้ปฏิบัติที่ต้องการที่จะดับความทุกข์ทางใจเวลาที่ร่างกายแก่ที่ร่างกายเจ็บที่ร่างกายตายเวลานั้นเป็นเวลาเข้าห้องสอบแต่ก่อนที่จะเข้าห้องสอบเราก็ทำการบ้านไปก่อนซ้อมไว้ก่อนเข้าสนามสอบซ้อมไว้ก่อน เป็นความกลัวตายก็ไปอยู่ที่มันน่ากลัวเพื่อจะได้ให้มันเกิดความกลัวขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ใช้ธรรมะใช้สติด้วยใช้ปัญญามาดับความความกลัวนั้นพอดับความกลัวนั้นแล้วต่อไปจะไม่กลัวตายไม่มีความกลัวตายแต่เวลาตายก็ตายแต่เวลาอยู่ก็อยู่ไปอยู่ก็อยู่แบบไม่กลัวตายเวลาตายก็ไม่กลัวนแต่ถ้าไม่ได้ทําการบ้านอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้ผ่านข้อสอบอันนี้อยู่ทุกวันก็กลัวทุกวันคิดถึงความตายที่ไรก็ก่อดความกลัวขึ้นมาทุกทีแล้วพอเจอความตายก็ยิ่งกลัวใหญ่เพราะไม่ยอมทําการบ้านกันขี้เกียจไม่ยอมภาวนาไม่ยอมเจริญสติไม่ยอมพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนทําได้ พอมีผู้ที่เขาทำมาแล้วก่อนที่เขาจะทำได้เขาก็เป็นเหมือนพวกเราเขาก็กลัวเหมือนพวกเราขี้เกียจเหมือนพวกเราแต่ในที่สุดเขาก็ต้องบังคับตัวเองว่าความขี้เกียจไม่ได้เป็นตัวที่จะพาให้อ่าฟันฝ่าอุปสรรคฟันฝ่าความทุกข์ต่างๆให้มันหมดไปได้มันอยู่ที่ความเพียร น, นี้เท่านั้นความเพียรที่จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องใจเราจะมีพลัง ที่จะหยุดความอยากได้ที่จะใช้ปัญญาทำลายความอยากได้แต่เราไม่ยอมทำกันก็ไม่รู้จะทำไงนอนมากี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมบอกให้จเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหับก็ไม่จเจริญกันจิตก็ไม่มีพลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆไม่มีปัญญาที่จะทำลายความอยากต่างๆให้มันหมดไปได้ ก็เลยต้องอยู่กับความทุกข์จเจอกไปเรื่อยๆอันนี้เราต้องคิดให้หนักคิดให้มากเพื่อที่เราจะได้กระตุ้นความเพียรให้เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความเศร้าโศกเสียใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานใจในรูปแบบต่างๆเราสามารถทําได้เพราะว่ามันอยู่ที่เหตุ ก็คือการเจริญสติอยู่ที่การทําใจให้สงบเป็นสมาธิอยู่ที่การเจริญปัญญาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะไม่สวยไม่งามพิจารณาธาตุสีดิน้ำลุ่มไปไม่มีตัวไม่มีตนพิจารณาไปแล้วมันก็จะเห็นเองเมื่อมันก็จะปล่อยเองมันจะปล่อยตัวตนไปเองอ เพราะว่ามันไม่มีตัวตนนี้มันเกิดจากความหนุงผลิตขึ้นมาพอเห็นความจริงแล้วของปลอมมันก็จะหายไปของปลอมสู้ของจริงไม่ได้ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเพียรกันให้มากๆพยายามตัดเรื่องราวต่างๆที่ไร้สาระเรื่องราวที่ ตะเป็นตัวก่อพบก่อชาตินี่แล้วก็หันมาเจริญธรรมะที่จะมาทําลายพบทําลายชาติกันจะดีกว่าเนียไปหลงกับเรื่องของลาบยศจลาเสริญเรื่องของความสุขทางร่างกายเรื่องของงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดนะ เวลามันสิ้นสุดเนี่ยเวลานั้นเป็นเวลาเศร้าซร้อยหงอยเหงาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแก่เป็นอนมาพกอมภพาดไปไหนมาไหนไม่ได้เวลานั้ น, เ, นเป็นเวลาที่งานเลี้ยงมันหมดแล้วแต่ถ้าเรามีธรรมะมีสติมีสมาธิมีปัญญางานเลี้ยงของเรายังมีต่อเรายังเลี้ยงต่อไปได้ในใจของเรา ใจของเรายังเฮฮายังสนุกสนานยังยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเบิกบานได้ถึงแม้ว่างานเลี้ยงทางทางร่างกายนี้มันหมดไปแล้วก็ตามแต่งานเลี้ยงทางจิตใจนี้มันจะมีไปไม่มีวันสิ้นสุดนิ่บาลังปรมังสุดขังเนี่ยนี่แหละคืองานเลี้ยงทางทางจิตใจขอให้เรามาหางานเลี้ยงมากันทางจิตใจดีกว่าไปงานเลี้ยงทางร่างกาย งานเลี้ยงทางร่างกายมันมีวันจบมีวันสิ้นแต่งานเลี้ยงทางจิตใจนี้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นปรมังสุขขังไปตลอดเวลาแม้ใจขณะ น, นี้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกทั้งหลายก็ยังปรมังสุขขังอยู่อย่างนั้นแต่ใจของพวกเราเนี่เดี๋ยวไม่กี่ปีก็ปรามังทุกข์ขังกันแล้วเพราะงานเลี้ยงทางร่างกายหมดแล้ว ไม่สามารถไปงานแต่งงานของคนนั้นคนนี้ได้ไม่สามารถไปงานวันเกิดของคนนั้นคนนี้ได้แล้วนีแต่จะไปงานวันตายของเขาเท่นั้นเองให้คิดอย่างนี้บ้างมันจะได้มีอะไรกระตุ้นใจของเราให้ออกจากผวาของความหลงให้เราได้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาทำการบ้านทาหน้าที่ของเรา ในการปลดเครื่องความทุกข์ให้ออกไปจากใจของเราให้หมดไปจากใจของเราก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาถ้าไม่มีใครอยากจะถามอะไรก็เอาว่ามาอนี้เราจะวางใจยังไงคะถ้าเหตุการณ์ด้านเมืองเกิดขึ้นก็เราไปแบกมันเองไงเราก็วางมันสิหินมันหนักไหมหินมันหนักคุณไปถือไปแบกมันมันก็หนักกันสิ คุณก็วางมัน น, นั้นนี่ทํำมันมันยากตรงไหนเลยตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่ามันหนักคุณยังอยากแบกอยู่เลยมาถามเราทําไมเราไม่แบกแล้วก็บอกได้ครนี้ก็อย่าไปแบกมันเลยจะวางไงก็อย่าไปแบกมันก็วางแล้วก็ลืมมันซะอย่าไปคิดถึงมันนั่นนั้นเองมระดายนะพุดโธพูดโธรไปอย่าไปรับรู้อย่าไปอยู่ใกล้หนีไปอยู่ไกลไม่อยู่ในป่าที่ไหนก็ได้ปล่หให้เขาฆ่ากันฟันกันไปเดี๋ยวก็จบ บ้านเมืองไม่ไปไหนอ่ะบ้านเมืองก็อยู่เหมือนเดิมแหละมีแต่ให้คนที่มันฆ่ากันอ่ะมันไปไม่มีใครไปหรอกมาแย่งกันไปแย่งกันมาแผ่นดินก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่อ่ะมันได้เป็นของใครวความความหลงมันหลอกให้คนเราไปวุ่นวายกับกับเรื่องต่างๆเท่า น, นั้นเองแล้วก็ไม่มีใครเอาอะไรไปกั น, นได้สักคนหนึ่ง ตายไปมีใครอะไรไปได้บ้างตายไปก็แม้แต่ร่างกายของตัวเองยาไปไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกับอผลประโยชน์ต่างๆที่กําลังแก่งแย่งชิงดีกันอยู่นะนะมองอย่างนี้แล้วก็จะปล่อยวางได้นะถ้าปล่อยไม่ได้ก็อย่าไปรับรู้ปิดหูปิดตานะนะอย่าไปฟังอย่าไปติดตามข่าวสารอะไรทั้งสิน้นนะแล้วใจก็จะสบาย อาละนะก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปประพฤติไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทามยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอดแล้วมาไปดูที่